ความทุกข์ได้จึงไม่ยกเวรไขทั้งหมดเลยจะเรียนหนังสือปริยาตีปริยาโถปริยาเอกมาก็าตามความทุกข์นั้นอะ่ะมันต้องติดตามบีบคั้นเราได้เียวความขัดใจขัดใจก็เป็นว่าทุกแล้วนี่วันนี้คนมีเงินมากๆวันนี้มีเงินร้อยพันหมื่นแสนล้านมีความทุกข์ก็มีติด มันเียคนไม่มีเงินไม่มีความรู้ธรรมดาอย่างที่บ้านเราอย่างที่อำเภอปักส o m เนี่ยคนรุ่นคนก่อนเขียนหนังสือไม่เป็นอ่านหนังสือไม่ได้ก็ยังมีความทุกข์เช่นเดียวกันไม่เป็นอยนเนี่ยความทุกข์นี่จริงไม่ยกเว้นใครทั้งหมดจะเป็นคนศ า, า, าสตรใดภาษาใดถือศาสนาใดก็าตามมันไม่ญาติไม่กลัวมันญ่าดมันกลัวแต่เฉพาะผู้ที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า ผู้ใดถือศาสนาพุทธมันกู๋แม้จะเรียนหนังสือมากๆมันก็กู๋มีเงินมากๆมันก็กู๋ไม่มีเงินมันก็ู๋ถ้าขึ้นเื้อเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นสาวพุทธจริงๆแล้วทุกมันไม่เข้ามาใกล้ทุกมันมาจากที่ไหนทุกอย่างที่หลวงพ่อมพูดเมื่อกี้หลวงพ่อเถียนพูดเ ม, ดม่ให้ทําจังหวะรู้สึกตัวเองเมื่อเรารู้สึกตัวอยู่ ผมทุกข์มันไม่มาลุ ก, กวนในขณะใดเวลาใดเราไม่รู้สึกตัวทุกข์มันเข้ามาลุ ก, กวัญปีนี้ใย่ไหมวาให้มีแนววิธีการจเจริญสติคาว่าจเจริญสตินี่กับผมรู้สึกตัวเป็นอันเดียวกันสติเขาไปวิดได้สัมปาชนะผมรู้ตัวบัดนี้เราไม่ได้พูดตามภาษาตัวหนังสือไม่ได้พูดตามภาษาบาลี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 พระพุทธเจ้าท่านสอนให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนให้มีสติรู้ที่อย่างนี้นอกจากนั้นท่านก็นยังแนะนําให้เรามีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิริยาบถ ย, ย้อยขู้เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีตะก็ตามคํา 3, คว่าสติเข้าไปกำหนดรู้ขู่เหยียดเคลื่อนไหวเนี่ย ทุกอิริยาบถทีเดียวจะพิษตาก็ให้รู้เลือดท้ายแดหัวก็ให้รู้ก้มเงยก็ให้รู้เอียงท้ายเอียงหัวก็ให้รู้กินน้ำลายก็ให้รู้หายใจก็ให้รู้จิตใจมันนึกมันคิดก็ให้รู้ที่ท่านสอนของมน ร, รู้แล้วมีความหมายอย่างไรจะได้ประโยชน์อะไรคนเราทำพูดคิดไม่รู้จิตไม่รู้ใจตัวเอง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 เป็นเปกก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นอสุรกายก็ได้จ้ะวะคนมีตาทิพย์จึงเห็นสิ่งนี้คนไม่มีตาทิพย์ไม่เห็นเลยจ้ะวะเราเคยเห็นผีไหมไอ้ผีบอกผีเคยได้ยินบ้างไหมเนื้อเคยได้ยินนะหลวงพ่อเคยได้ยินนะเคยได้ยินนะพวกพวกในจุดได้ยินไหมเฮ้เคยได้ยิน เนี่ยคนนี้คือเทวดาแท้เนี่ยเคยได้ยินบ้างไห้อย่างเคยได้ยินเนี่ยแต่เราเห็นเทวดาไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นเทวดาไม่เคยเห็นผีเคยเห็นไหมผีก็ไม่ได้เนี่ยคนไม่มีตาทิพย์จึงเห็นไม่ได้คนมีตาทิพย์จึงเห็นคนว่าได้ดวงตาเห็นธรรมผีเขาว่าคือคนทาชั่วพูดชั่วคิดชั่ว เห็นหน้าผู้หญิงอีนนงนี่คือผีเนี่ยมันคือผีแต่แข้งขาหน้าตามือเท้ามันเป็นคนใจมันเป็นผีเกี่ยวแบ่งเป็นสองภาคเมื่อใจเป็นผีร่างกายยังเป็นคนใจเป็นผีแล้วมันทำพูดคิดไป่รู้จากอายจิตใจเป็นสติรสารตัวยังเป็นคนอยู่เนี่ยเป็นเมื่อจิตใจมันร้อนรนบเนี่ยจิตใจไปตกนรกแล้วมันคนยังลุงลูกชายยังเป็นคนอยู่ จิตไม่พอบ่เนี่ยได้ไม่พอบ่เนี้ยจิตใจเป็นเปรตบ่เนี้ยร่างกายยังเป็นคนอยู่คนมีตาทิพจึงเห็นจิตเห็นใจท่านเห็นจิตเห็นใจตัวเองบัดนี้คนใดทําพูดคิดรู้สึกตัวเองมีขมละอายแก่กายเพื่อนทุกคนและมีขมละอายแก่ใจก็เป็นเทวดาได้แล้วบ่เทวดาที่ว่ามีหิ้งที่ขมละอายแก่ใจ คนได้ทำพูดคิดรู้จากจิตตัวเองนั่นแหละเป็นเทวดาขึ้นมาคนมีตาทิพย์ยึงเห็นเทวดาดังนั้นคนเราเกิดมาต้องรู้จักเคารพบิดามาดาบิดามาดาบ้านหอวงคนเดียวพอแม่แล้วก็ให้รู้จักเคารพพีทีว่าเป็นผู้เกิดคนเราน้องเหมือนเกิดหลังเราหรือคารพตัวเองเหมือ น, น, นเมื่อรู้จักคารพบิดามาดา คารมผูอาจารย์เลือกคารมเพื่อนฝู้เพื่อนบ้านนี่ยคารมคนอื่นนั่น่เพียงยกมือไหว้จิตใจอาจจะดุร้ายคนนี้เนี่ยถ้ายกมือไหว้ตัวเองแล้วเนี้ในขณะนี้เรากําลังยกมือไหว้ตัวเองทําดีพูดดีคิดดีก็เป็นการยกมือไหว้คนทั่วไปพอแม่เราก็อยู่ที่ตัวเราพี่ชายเราก็อยู่ที่ตัวเราน้องเราก็คือคือตัวเรา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 เมื่อไปกด พ, พ, พ, พ, พ, พ, พระธรรมแล้วก็ต้องไม่เห็นพระธรรมเพราะพระธรรมนีเนี่ยเป็นอย่างนั้นวันนี้เราไปโกนเพื่อนฝูงแล้วก็ไปกดพระสงฆ์คือผู้ประพฤติปฏิบัติชอบเมื่อเราไปโกดพระสงฆ์แล้วเราก็ต้องไม่เห็นพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์ไม่มีตัวเราเนี่ยดังนั้นการเข้าถึงธรรมะจึงมีวิธีการวิธีของมันคือทำความรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจ รู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจรู้สึกตัวบังคับตัวรู้สึกใจบังคับใจไม่ให้มันทําไปตามอารมณ์ทนวเมื่อมันไม่ทําตามอารมณ์แล้วท่านว่าเหมือนกับนายเสด็จีฝึกหมาหมาเนี่ยฝึกได้ดีแล้วก็ต้องเอาไปขี่แข้งในสนามก็ได้ยังไงจิตใจถึงแล้วจึงว่าไปตามใจนี้ใจเป็นสัตว์มันก็ต้องตายไปกับเป็นสัตว์จริงว่า สัตว์ในศาลเราเคยเห็นไหมบ้านหลวงพ่อแถวนี้นะถามหลวงพ่อนี่ก็รู้จักทันทีเนี่ยหลวงพ่อเคยเห็นควายกินนมแม่เมันบ้างไหมเห็นฮะตัวหมากินนมแม่มันบ้างไหมตวัวหมูมันกินนมแม่มันตหมาหมูงัวควายบ้านหลวงพ่อกินนมแม่มันคนก็ต้องกินนมแม่มันกว่านี่ในขณะหมาเนี่ยมันอยู่ในแม่มันกินนมแม่มั น, น, น, น, มมม น, นในหญ่นนมมขึ้นมา มันไม่รู้แม่มันเลยมันกลับแม่มันก็ได้บางทีโยนเข้าให้กินแม่เนไปแย้งสิมันกัดแม่มันเลยนี่มันไม่รู้จักคนได้ไปอย่างนั้นไม่ใช่เป็นคนนั่นน่ะแต่แขนขาหน้าตามือเท่าเป็นคนแต่จิตใจเป็นสติ拉萨ต์เป็นอย่างนั้นตัวงัวตัวควายก็เหมือนกันเมื่อในขณะมันกินนมแม่มันมันก็ห้องกินนมแม่ไปใหญ่ขึ้นมาแล้วมันอยากซิดมันอยากสนมันอยากอย่างให้ไปจกับพอกับแม่มันมันเป็นอย่างนั้น นี่แสดงว่าจิตใจคนนั้นจึงไม่เข้าถึงธรรมะเมื่อไม่เข้าถึงธรรมะแล้วก็นำแต่ความสับสนวุ่นวายความเดือดร้อนอยู่ที่ไหนคนเราเองเป็นคนไปที่ไหนคนเราเองเป็นคนไปนั่งที่ไหนคนเราเองเป็นคนนั่งนอนที่ไหนคนเราเองเป็นคนนอนเข้าห้องน้ำห้องซ่วมกินพูดคิดอะไรตัวเองทั้งนั้นจึิงวา คนมีความทุกข์นั่นคือว่าอยู่ที่ไหนก็ต้องมีแต่ทุกข์ทั้งเมื่อเราเ อ, อสภาพร่างกายนี่ไปอย่างนี้นะจิตใจนี่ไปอย่างนี้ร่างกายมันไม่รู้ตายแล้วเอาไปจุดไฟรอนมันก็ไม่ว่าเลยเคยได้ยินบ้างไมาหมหลวงพ่อคนตายแล้วเอาขึ้นกองคนมันว่าร้องไหมไม่ร้องนะเ อ, อไม่ร้องวันนี้คนตายแล้วเอาไปฝังดินเอาดินกดหน้ามันมันเคยร้องว่าหายใจพืดเน่เคยได้ยินบ้างไหม ไม่ได้ยินนี่สแสดงว่าร่างกายเนี่ยเป็นเพียงแผ่ควงไว้อย่างที่ว่าแพเนี่ยเราพายคาบน้ําไปแล้วเราไม่ต้องแบกแพ่ขึ้นไปบนบกแพ่ต้องที่ยงไว้เลยเราเดินไปแต่คนเดียวดังนั้นร่างกายเนี่ยจิตมันไม่รู้สึกใจคนเดียวมันรู้ตาเห็นอย่างนี้ตามันว่างามไหมไม่ใจมันว่างามตาเห็นเนี่ ย, ม, ม, ม, ม, ม, นนยมันไม่งามตามมนไม่ว่าใจมันว่าอีกหูฟังเสียงบับเนี้ หูมันว่าเพาะไม่เพาะไหมมันไม่รู้ใจมันรู้ดังนั้นการปฏิบัติธรรมะเพียงให้ลูกกายรู้ใจกายกับใจได้แยง ก, กันไม่ได้แย่ง ก, กันเมื่อใดก็เสียวตายเมืนั้นนะที่ว่าเข้าถึงธรรมะเข้าถึงอะไรก่อนเข้าถึงรูปรูปนี่มองเห็นจับถูกด้วยมือมองเห็นยเข้าถึงน้ำน้ำคือจิตใจนึกคิดต้องเข้าถึงสองอย่างนี้เข้าถึงรูปเข้าถึงน้ำ รูปทำนามทำเนี่ยรูปนี้เองทําดีรูปนี้เองทําชั่วรูปนี้เองไม่ทําดีไม่ทาชั่วรูปเป็นคนทําใจเป็นคนสั่งเนี่ยดังนั้นเมื่อใจสั่งแล้วเนะ่ะต้องเห็นรูปทำนามทำรูปโลกนามโลกโลกนี้มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนโลกยัมีสองอย่างเกิดมาแล้วก็เจ็บหวัวปวดท้องเจ็บแขงเจ็บขาเนี่ยโลกอันนี้เดียวกว่โลกทางกายโลกทางวัตถุกันไว้ โลกทางใจพอใจไม่พอใจดีใจเสียใจขัดใจไม่ขัดใจโลกอันนั้นเดียวโลกทางทจิตใจดังนั้นพระพุทธเจ้าทั้งจึงสอนให้คนรู้ใจตัวเองอย่าไปรู้ใจคนอื่นไม่ได้ท่านสอนอย่างนั้นเมื่อรู้จักรู้โลกนามรู้แล้วก็รู้จักทุกขังอนิจจังอนัตตาแต่ในตำลับตํานาทั้งหมดทุกผมงอกฟันหักอันนั้นมันเป็นทุกเรื่องสมมุติทุก ทั้อนิจจังอนัตตาอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้กําหนดรู้ในอินทรียบุตรทั้งสี่และเรียบบุย่อยเพื่ออะไรเพื่อให้เราเกิดปัญญาสัมผัสรู้ในอรียบทจะได้รู้ว่าในอิทรียบทตทุกอินทรียบุตนั้นเป็นตัวทุกกันว่าทุกเมื่อเห็นทุกเราเราก็ไม่ต้องการมาเกิดเป็นคนไม่ต้องการมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องการมาแล้วมันทุกดังนั้นคนทําบุญจ้ะ ปาฏิหาริย์เอาสวรรค์นิพพานทำบุญมากๆตายแล้วไปเกิดสวรรค์ตายแล้วไปเกิดในพานหมืดบุญอันนั้นรากลับมาเกิดเป็นคนคนนั้นรู้ธรรมะไหมรู้รู้ธรรมะแบบไม่รู้อนะัรู้ธรรมะแบบตามตา ม, ตามกันมาพ่อแม่ปู่ยา่าตายายพูดตามกันมาไม่รู้แจ้ไม่รู้จริง oh. คนนี่จึงเปรียบุป ม, มาแล้วเหมือนกับอยู่ในถ้าถ้าเนี่ยมืดมิ ด, ม, ดมานานแสนนานล้านปี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 ขมนึกค่มคิดให้มันมีความรู้สึกตัวเป็นอนัตตามันเห็นผีเห็นเทวดาเนี่มันให้มันรู้สึกตัวพอดี๋มันคิดเพิ่มให้มันดูยู่กับผมผมรู้สึกแบบ น, นี้พอเดี๋มันคิดอย่าไปกับผมคิดพราะผมคิดมันจะดึงเราไปคนไม่รู้จากผมคิดคิดไปบางคนนอนไม่หลับแต่เอาอยาระงับประสาทมา ก, กินเป็นบ้าวันนี้จะเทียบวในให้ฟังคนมีเงินมากๆกับคนจนใครตายหลายกรั้งจะตายเท่ากันมันทา้งตายนะทุกคนตาย้ เมื่อเทียบตัวแล้วคนมีเงินมากฆ่าตัวตายมากกว่าคนไม่มีเงินคนไม่มีเงินเนี่ยไม่ค่อยเอาปืนยิงตัวตายหรอกไม่ค่อยยินยาตายหรอกคนมีเงินเนี่ยเอาปืนยิงตัวตายเนี<ๆ>่ยยินยาตายคนมีเงินก็ตายหลายกว่าคนไม่มีเงินเพราะคนมีเงินมันคิดมากนจริงๆแสดาว่าเงินมันช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้จริงๆคนเรียนหนังสือมากๆก็เหมือนกันหลวพ่ออยู่วัดสนามไหนคนนึงเรียนหนังสือจบปริญญาโทรมาจากอเมริกา มาทำงานธนาคารไม่เด็คิดไปคิดมาเป็นบ้าเป็นนอนไม่หลับเลยพี่พี่น้องๆไปหารักษามันไม่หายเอาน้ามนมาลดมันเย็นตั้งแต่ลูปกายภายนอกเลยใจมันรอนนอนไม่หลับเอามาหาหลวงพ่อหลวงพ่อไม่มีมนต์ล็อกไม่ได้ปลุกล็อกปุกคนนะเต่ว่าคุณให้รู้สึกตัวคุณคุณคิดให้รู้สึกตัวมาทํำผมรู้สึกตัวอยู่ไม่เกินสิบห้าวันหายเลยไปทํางานธนาคารได้เหมือนเดิม ไปให้คนที่เลือกงามยามดีปลุกเสกคาถมคาถาลดน้ํามนต์ไม่หายเลยตั้งหกเดือนเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นอันนั้นมีสําหรับหลอกคนโง่คนไม่จึงชอบคนโง่เท่านั้นเองพูดความจริงให้ฟังไม่เอาเป็นยังไคนมันชอบข่มโ ง, ง่ชอบข่มหลอกข่มลวงเนี่ยมันจึงมีผีมากไหว้ผีมากลดน้ำมนต์ที่นั้นที่นี่มันไม่รู้พระพุทธเจ้ามงคนสามสิบแปดเนี่ยเรารู้ดิ อเสบันนาจะพาลานังบัณฑิตานังจันเสบันนาปูซาจะปูซานิญานางเอตัมมังคลามุตัมมังเนี่ยมงคลข้อที่หนเราไม่รู้อเสวันนาจะพาลานังหมายถึงคนผ่านคนกินเหล้าเล่นการพ น, นันเที่ยวกลางคืนคบคุณซัวเป็นมิตรเกียรติค้านการงานอันนั้นคนผ่านภายนอกได้นี่ยเราเรียกมันได้สบายคนผ่านภายในคือใครเนี่ คือเจ้าโมหะเจ้าโทสะเจ้าโลภานี่เองคนผ่านภทยในเราก็ยุกคนผ่านเราจะไปดนีคนผ่านได้ทำไมวันนี้นี่เองหลวงพ่อมาทับยิง่งขวดคนนั้นเขาเรียนแพทย์แพทย์ทำฟันทำฟันนี่เขาว่าอย่างไงทันาแพตาแพทย์นีเขาว่าเขามาออกทีนิดนึงแม่ผมทำชั่วแล้วเดี๋ยวนี้ครับทำไมทำชั่วคุณรู้ไหมผมรู้รู้รแล้วคุณไม่รู้เนคุณรู้ทำ คุณรู้แล้วคุณทำคุณจะรู้ทําไมเพรว่ารู้เข้าไปทาไม่ใช่รู้เลิกไม่ใช่รู้นี้แต่่อนผมไม่ทําผมไม่ลินเบี้ยไม่ล่นไพไม่เล่นการพนันไม่ดื่มสุราไม่คบเพื่อนคนที่เลวเดี๋ยวนี้ผมดื่มสุราเรียดเนี่ยเล่นการพนันที่วกลางคืนคบคนที่ไม่ดีผมรู้แต่ผมทําไมจะเลิกไม่ได้อย่าพูดอย่างนั้นคุณไม่รู้คุณรู้ทำว่ะคันไม่ทํามันยากกลัวมูจะเสียใจแน่ เนี่ตัวเองเสียไม่รู้สึกตัวอย่าไปกลัวยันเสียใจคนเพื่นไม่กลัวตัวเสียไปเลยไม่กลัวแสดงว่าคนคนนั้นจะเป็นคนมีปัญญาไหมเรียนจนจบทันตแทยแล้วเนยะคนนั้นยังไม่สลาดสู้หลวงพ่อเขียนหนังสือไม่ได้สลดัดจริงๆนะนี่หลวงพ่อไม่ทำก็เลยให้คอคิดว่าคุณคุณจะไปเกงคนอื่นเสียใจทําไมคุณเกงคุณเสียคนนี่วะเพื่อนมาสวนไม่ไปมันจะเสียใจคุณก็ต้องมีนโยบายดิว ว่าวันนี้มีธุระขัดข้องจาเป็นครับไส่ก้นเถอะผู้นี้ควรใส่เราตัวมันเสียสมันจะเสียสัตว์ทำไมอันนั้นแหละสัตวจจะไม่รู้จริงแต่ว่าเสียสัตว์กลัวยังเสียสัตว์อันนั้นพระพุทธเจ้ากลัวสมบัติข่วมเป็นมนุษย์จะหนี้ทันในวันเสียสัตว์เสียคนเป็นมนุษย์อันนั้นไม่ใช่มนุษย์อันนั้นเขาว่าผีเขาบักผีเนี่ยนเป็นสัตว์ขันผู้นีงเขาอีผีทําไม่ดีพูดเป็นมันจะเป็นสัตว์ไอ้แตม อันนั้นแล้วว่าสัจจะของคนไม่รู้ถ้าเป็นสัจจะของคนรู้จึงว่าสัจจะคือคนมีกลัวจะเสียสมบัติควัวเป็นมนุษย์กลัวจะเสียสมบัติควัวเป็นเทวดากลัวจะเสียสมบัติคลัวเป็นอินทรคุณกลัวจะเสียควัวเป็นพระยบุคคลอันนี้คนเขาสัจจะแล้วของจริงนั่นวอย่างไงอันนั้นไม่กลัวเลยอยักลัวยันมู้เสียใจเนี่ยมันผิดกันจังหวะ สมมติให้ฟังแต่มันไม่รู้จักเยอะคนไม่รู้จักจะรู้จักไม่ไม่รู้ชื่อว่าอเสถนาจะพาลานังพาลาที่คุณพาลเสถนาเป็ว่าดูด้วยกินด้วยเดียวเสถนาจะพาลาแต่พาลาคนพาลภายนอกเราดิได้ไง่ายๆคนพาลภายในยนี่เราไม่หลุตัวไม่ได้บันนี้เป็นดิภายนอกบันดิต า, นาเ น, าาาานี่ยนะเสถนาปูซาเนี่ยนังเอตัมมังคัลมุตตัมมังเป็นมงคลเนี่ย ได้ไปคบอย่างที่พูดวันนี้เนี่ยเรียนจบทันแพทย์ไปจบเรียนประโยคเข้าประจามอย่างที่พูดแล้วก็ขออภัยนะอย่างงระอาจารย์สุสีอาจามัตนะเรียนบริยทูเนี่ยเป็นปริญานี่ยเป็นบัณฑิตบัณฑิตอันนันก็นดีไม่ใช่ไม่ดีแต่บัณฑิตที่ดวงข้อพูดเนี่ยจะไปคบท่านตลอดเมื่อตลอดวันจะได้กินอะไรก็ไปเฝ้าไปกับท่านท่านไปทําอะไรตัวก็ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้าอะไรเลยเขาไปเฝ้าไปให้นนะไปกับท่านเนี่ เนี่ยไปคบกับท่านแต่ต้องคบบัณฑิตภายในมันลุกด้วยมันนั่งด้วยมันไปด้วยมาด้วยเข้าห้องน้ําห้องซุม้มของเขาโดยขวมรู้สึกตัวตื่นตัวขวมรู้สึกใจตื่นใจอันนี้แหละบัณฑิตแท้ๆแหละบัณฑิตคือมีสติมีสมาธิมีปัญญาพอตามภาษาแล้วกว็ขวมรู้สึกตัวตื่นตัวขมรู้สึกใจตื่นใจขวมรู้สึกตัวตื่นตัวบังคับตัว ควรู้สึกใจตื่นใจบังคับใจบังคับตัวเป็นใหญ่ในตัวบังคับใจเป็นใหญ่ในใจเขาจึงว่าเป็นบัณฑิตแท้เดียทางก้วงยาวไกลไปต้องถึงคนเดินทางถ้าเดินทางให้ถูกมันกถ็ถ้าเดินทางไม่ถูกมันไม่ถึงดังนั้นผ่าสงฆ์องค์เจ้าญาติโยมมาปฏิบัติธรรมก็เพียงเดียวกันต้องปฏิบัติให้รู้จิตดูใจมันนึกมันคิดรู้อันนี้ก็ต้อง ไม่ต้องกำหนดรูปมากเนี่ยดูสมมตินึ่พยายามดูคุมคิดสร้างจังหวะให้มากอย่าสร้างซ่าสร้างไวไวบ้างโดยจงพรมันไ ว, ไวอย่าไปเพ่งถ้าเพ่งมันจะมึนศีรษะปวดหัวหนักอกอันนั้นมันผิดแปลว่าทำผิดพูดผิดคิดผิดนำทุกมาให้ทำถูกต้องแล้วก็คิดถูกต้องอันใดถูกต้องเนี่ยนำสุขมาให้ทำโดยไม่ให้มันมีทุก ทำสบายๆมันคิดรู้ตายเห็นก็รู้หูฟังก็รู้มีเพื่อนมาหาเราก็เห็นก็รู้ก็คุยได้ทำการทำงานไปตามหน้าที่แท่านันหน้าที่ของคุณควรศึกษาให้รู้และควรปฏิบัติตามหน้าที่ของตนคนถ้าทำผิดหน้าที่ของคุณก็มีแต่ทุกข์เท่นั่นเองเป็นบ้านเมืองของเราทุกวันนี้ทุกเพราะคุณทำหน้าที่ผิดไม่ทำตามหน้าที่ของตัวเอง แล้วเอาหน้าที่ของคนอื่นมาทำแบบ น, นี้แล้วหน้าที่ของตัวเองอยากให้คนอื่นทํามันจะได้ทําใหม่เห็นคนอื่นเขาทํามันไม่ดีอตัวไม่ดีเลยไม่คิดเลยมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมหาแต่เรื่องกันคนอื่นนะั้นตัวเองไม่ค่อยกับ